ขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมบพุทธยานในวันนี้จะตอบปัญหาซึ่งมีผู้ถามไว้ต่อไปท่านถามว่าตั้งแต่เกิดมาจะถึงปัจจุบันตั้งใจทำบุญมาตลอดแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งที่ทำบาปโดยความจำเป็นไม่ทราบว่าบุญที่ทำมาจะหมดไปเพราะบาปครั้งนั้นหรือเปล่าคะไม่ได้เกี่ยวกันนะนะบาปก็บาปบุญก็บุญ ตางคนต่างทําหน้าที่ต่างคนต่างให้ผลหรือไม่ใช่บาสิ่งหนึ่งไปลดสิ่งหนึ่งได้เพียงแต่ว่าสิ่งใดมีพลังมากกว่าสิ่งนั้นก็ให้ผลไปก่อนสิ่งใดมีพลังน้อยกว่าก็ให้ผลทีหลังเพื่อนนั่งสมาธิแล้วบอกว่าเห็นเทวดาหรือพระอาจารย์ผู้มีบุญบารมีดิฉันอยากทราบว่าเป็นความจริงหรือเปล่าคะอันนี้ที่จริงต้องถามคนนั้นนะถ้าเขาเห็นจริงก็เห็นจริงอนะครับแต่บางทีเนี่ยอาจจะปรุงเอา อาจจะปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเองก็ได้เพราะันต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนเราจะไปยืนยันแทนเขาก็คงไม่ได้ไมันต้องถามรายละเอียดกันพอสมควรนะครับ่ไงก็ต า, ามก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าก็เห็นเทวดาก็อย่างน้อยก็ทําให้ก็เชื่อว่าเทวดามีอยู่ในโลกนี้เห็นเกจิอาจารย์ที่ตายไปแล้วก็ ถ้าให้เชื่อว่าคนนี้ตายไปแล้วไม่ได้สูญไปเลยมันก็เกิดความเห็นที่เป็นสมาธิขึ้นไปอย่างน้อยนะฮะส่วนจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยที่จริงต้องคุยกับเขาด้วยสิทธิ์คิดลัางครูเอ่อเช่นสิทธิ์กับอาจารย์มีปัญหากันจนอาจารย์ต้องเสียหายไปไม่สามารถอยู่ในสถาบันเพศ ต, ต่อไปได้ ถ้ามีความคิดเห็นเช่นเช่นไรนี่น่าจะเกี่ยวข้องกับข่าวคราวซึ่งปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์อยู่คราวหนึ่งนะครับรู้สึกว่าแถวเดือนอะไรล่ะแถวเดือนตุลาเดือนตุลาต้นๆคือทั้งหมดเนี่ยมันไม่ชัดเจนเราจะถือว่าสิทธิ์คิดล่างครูมันก็ไม่เชิงแล้วก็จะถือว่าไม่ใช่มันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่า คือข่าวเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องแล้วพอดีคนที่เป็นอาจารย์ก็ใจค่อนข้างน้อยไปนหน่อยก็ไม่พยายามพิสูจน์ตัวเองที่จริงเรื่องเหล่านี้การกล่าวหาเนี่ยเราก็คงห้ามเขาแม่กล่าวหาเราไม่ได้หรอกแต่เรามีสิทธิ์ที่จะให้สังคมเขพิสูจน์ทดสอบเหมือนกันเราก็สร้างความดีมานานิ่งๆไม่รู้ใครมาจากไหนมาสร้างข่าวทําลายเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยเขาทําลายไปเฉยๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันต้องชี้แจงนะครับ วิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าเขากล่าวหาถ้าใส่ร้ายป้ายสีอะไรแต่ใดเราจะโกรธแล้วก็ทําหน้าที่ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าก็กล่าวถูกต้องก็ยอมรับถ้าก็กล่าวผิดพลาดก็ชี้แจงแต่ไม่โกรดนั่นคือหลักการไม่ใช่ห้ามชี้แจงนะฮะที่จริงหลักการในพุทธศาสนาต้องชี้แจงต้องทําความเข้าใจกัน ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเผยแผ่ศาสนาในกลุ่มราชชุกฤหลังจากประสาิบุตรประโมกคัลลานะออกบวชเนี่ยมันมีการปลุกระดมในกลุ่มราชชุกฤบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติผลาดสกุลของชาวบ้านเป็นการพรากลูกจากพ่อแม่เป็นการพรากสามีจากภัญยาเป็นการพรากพ่อออกจากลูก เป็นการตัดสกุลของชาวบ้านทีนี้ธรรมเนียมพราหมณ์เนี่ยก็ถือว่าคนที่ตายไปโดยไม่มีบุตรเนี่ยจะต้องตกนรกชื่อว่าปุตตะคือขุมหนึ่งชื่อว่าปุตตะเพราะต่างคนต่างก็ตื่นตัวขึ้นมาต่อต้านพระพุทธเจ้าพระเจ้าต้องส่งพระอาหารหันต์พันสองรห้าสิบรูปติดฝั่งอวตารปฏิโมกนะครับไปชี้แจงให้ทราบในอง์ราชคฤห์เพราะ ข, าข่าวกั้ง ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ปล่อยนะทีนี้เมื่อท่านปล่อยไปอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ไอจิกมันคืออะไรนะลูกศิษย์เนี่ยเขาทำอะไรมากน้อยแค่ไหนเพียงไรแต่ถ้าเราดูจารายการถอดรังหักนะเราจะเห็นว่ามันมีจุด บ, บกพร่องอยู่เยอะในแง่ของกระบวนการยุติธรรมนั้นอย่างมีปัญหาที่ต้องหาข้อมูลจะต้องซักถามจะต้องสืบต่อ และแม้แต่เบื้องหลังความเป็นมาของคนเนี่ยมันก็น่าจะศึกษาอยู่เหมือนกันเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยเรารู้สึกเอมันไม่ชอบมาประคนเวลาที่เข้ามาน้อยเกินไปที่จะไปรู้อะไรลึกซึ้งขนาดนั้นและจดหมายนี่มันก็ยกโชว์ขึ้นมาทางจอโทรทัศน์เท่านั้นเองมไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ทดสอบจะพูดํำนานการว่าเป็นลายมือจริงหรือเปล่า อะไรมือี่มัน ค, ค, คล้ายคลึงกันได้นะฮะคล้ายคลึงกันได้แล้วก็ปลอมกันได้โดยแล้วระบบคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วบนบนเรื่องอย่างอีกเยอะคือแสดงว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ชัดเจนไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรไปได้พี่ชายติดยาบ้าเคยพามารักษาแล้วหนึ่งครั้งกลับไปติดอีกเพราะมียเรื่องมากด่าเก่งญาติเมียแกร่นแกร่งยุแยให้แตกแยก เพื่อหวังสมบัติพี่ชายเครียดมากก็หาทางออกโดยการช้ยาบ้าจะทํำยังไงมันจําเป็นจะต้องพรากเขามาจากสภาพแวดล้อมจากคนแวดล้อมถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่าครอบครัวไม่ได้มีเจตนานดีครอบครัวฝ่ายพัญญาไม่ได้เจตนานดีแล้วเราก็เป็นพี่ชายอย่างน้อยก็ต้องออกมารักษาแล้วเมื่อเขาหายปกติแล้วเขาก็คิดตัวเองก็ตัดสินใจเอาเอง แต่ไม่ควรให้อยู่กับสังคมที่แวดล้อมอย่างนั้นเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วในโอกาสที่จะหายนี่ยากนะฮะเพราะว่าต้องกลับมาเสพอีกจนได้มันคุ้นเคยตัอการหาทางออกนะฉะ น, น, นั้นพอเครียดขึ้นมาก็หาทางออกแบบนั้นเครียดขึ้นมาก็หาทางออกแบบนั้นซึ่งไม่ได้เกิดผลดีอะไรขึ้นมาบอกว่า กลองยาวหนึ่งใบฉาบหนึ่งคู่และทลขคงตีแห่ประกาศเรียรายเงินคนถือขันจีห้าคนบอกบุญตามบ้านเป็นประจำทุกเดือนเป็นคนเดิมชุดเดิมถูกรากาทำบุญแบบพุทธหรือถูกกฎหมายหรือไม่จับได้เลยนะพวกนี้แจ้งจับได้เลยผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งถ้าเป็นพระแล้วก็จับศึกได้เลยด้วยซ้าไป ถ้าเป็นคาราวา่าก็ต้องแจงแ้งเจ้าหน้าที่ถือว่าเรีไรโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ไรนอกเขตพื้นที่มันก็ทําอย่างเล่นปลาฮีอย่างนี้มันก็ไม่ได้เอกแต่ว่าข้อความไม่ชัดนะฮะไม่ทราบบุคคลเหล่านี้เป็นใครเป็นพระด้วยแต่งแต่งตัวเป็นพระหรือเปล่าถ้าเป็นพระก็ไม่ใช่พระจริงนะฮะต้องพระปลอมพระจริงก็ไม่ทํำอย่างนั้นเอกข้อต่อไปถามว่าอืม อยากกราบถามว่าขณะนี้การแก้ไขการเผยแพร่ของธรรมกายย่อนยานไปเกือบหมดแล้วเพราะอะไรหรือเปล่าจะทาจะยังทำอะไรอยู่เพราะอะไรหรือเปล่าถ้าตอบตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ๋อก็เรื่องของวัตธรรมกายนะ ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องของวัดเป็นเรื่องของเจ้าวาดคือสรุปว่าพระที่มีปัญหาอยู่เนี่ยมันก็ไม่เกินห้ารูปอะนะแล้วก็ที่มีปัญหาจริงๆที่ถูกฟ้องร้องกันจริงๆเนี่ยทั้งสารพระทั้งสารโลกเนี่ยก็คือตัวเจ้าวาดซึ่งก็ได้ถูกปลดออกไปแล้วเวลาเนี้ยทีนี้อยู่ในกระบวนการของศาลเนี่ยมันนานนะนะกระบวนการของศาลเนี่ย กระบวนการก็สารส่งนั้นปรากฏว่ายังไม่ขยับก็เยื่อนไปไหนก็เหตุผลจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบคก็แคๆกันนิ่งอยู่กับที่เราเคยก็สอบถามท่านได้ทําหน้าที่ท่านก็บอกว่ากําลังทําอยู่เราก็ไม่มีหน้าที่จะไปซักซักคาอะไรมั่มากก็ฟังไปเท่าที่ก็บอกว่าเขากาลังทําก็กําลังทําก็ไม่ว่าอะไรเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ คือที่จริงเนี่ยปัญหาเหล่านี้ถ้าเราร่วมแรงรวดใจกันเพื่อความดำรงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนาแต่ละคนนะั้นจำเป็นจะต้องยอมเฉือยเนื้อตัวเองบ้างยอมเสียสละบ้างแล้วก็เรื่องไม่แรงนะฮะมีวิธีแก้ที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดอะไรความรุนแรงเสียหายอะไรแรงแรงได้แต่ว่าเมื่อไม่กล้าแก้มันก็อยู่ในสภาพคล้ายๆกระไก่เห็นตีงูเห็นนมไก่นะฮะ มันก็พูดยากหน่อยทำอย่างไรจึงจะไม่ประมาทกับชีวิตและกับผลการคเรื่องของชีวิตเนี่ยตามปกติแล้วคนจะประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคการไม่ประมาทก็ต้องอยู่ด้วยตื่นตัวอยู่มีสติอยู่ตลอดระยะเวลา บอกว่าวันนี้เท่านั้นเป็นของเราพรุ่งนี้ไม่แน่ชีวิตเราเราอยู่เป็นวันวันได้ยังอยู่เป็นขณะขณะได้ทำไปนะพยายามใช้ปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดอนาคตจะมาถึงหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อปัจจุบันเข้ามาถึงนี่เราก็พยายามหาประโยชน์จากปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเต็มตามความสามารถที่จะทําได้ในหนึ่งวันท่าน สวดมนต์กี่ครั้งนานแค่ไหนาภาวนาทุกวันหรือไม่ก็น่าตอบทางอทางเอช่วงสองทุ่มอพอดีนะ1 4หนึ่งสสองสองใช่ก็คลิดนี้พอดีคือการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยมันก็ไหว้กันปกติธรรมดานะฮนะเพราะว่าภาวนาเนี่ยมันหนักไปทางวิปัสสนา หนักไปทางพิจารณามากกว่าที่จะไปนั่งภาวนาเพราะว่ามันภารากิจมันเยอะมาหาศาลมากเลยวันๆเนี่ยวันวุ่นวุ่นยิ่งกว่าชีวิตชาวบ้านน่ย น, นะงานมันเยอะมากเป็นพระที่ต้องทํางานและพระทํางานงานจะมากนะนัานจะมากแม้เวลาพักผ่อนก็ไม่เคยมีเลยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบการไหว้พระสวดมนต์นั้นก็เป็นกิ จ, จวัตรประการหนึ่ง ถ้าทาได้มากน้อยแค่ไหนเป็งไรก็พยายามทำกันไปแต่อย่าลืมนะว่าเนื้อหาสาระจริงๆนะให้จิตอยู่กับธรรมะเนี่ยตัวเป็นตัวหลักจะไหวพระสดบนหรือไม่เนี่ยไม่ได้แปลกอะไรครับแต่ว่าให้จิตอยู่กับธรรมะให้จิตมีธรรมะคิดเรื่องธรรมะจุดนึกเรื่องธรรมระพยายามบรรเทาตันหาราคะต่างๆเวลาสัมผัสการมณ์ที่มากระทบเนี่ยโดยไม่ให้จิตใจมันว้าวุ่นสับสนไปกับ การคงกิเลสต่างๆก็เป็นการได้ดีแล้วทาได้มากเท่าไรก็ตามอัธยาศัยการปฏิบัติตนให้ถึงนิพพานในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ปฏิบัติตนอย่างไรงหลักการมันคงเหมือนเดิมนะฮะคงเจรเดินไปในแนวของอริมารไปองแปดประการเพียงแต่ว่าหาเวลาหาโอกาสหาสถานที่เราจะมองอีกทีหนึ่งนะครับ เราจะเอาสภาพแบบเดิมไม่ได้แต่เนื้อหามันเหมือนกันเช่นความสงัดเงียบเนี่ยเราก็ทำห้องติดแอร์คอนดิชันเข้าก็อยู่เงียบอยู่คนเดียวในห้องนะทำอะไรก็ได้ไหวพระสวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้จเจริญวิปัสสนาก็ได้ค้นคว้าอ่านหนังสือพระไตวิดกก็ได้นะครับมันไม่ต้องไปหาที่ป่าเว้ยนี้มันหายากแล้วป่าเนี่ย ที่จะหาความสงบตามในป่าในดงอย่างที่พูดกันเนี่ยมันหายากแล้วแล้วก็ถึงไปหาได้มันก็มีความม่ตัวกังวลเพราะว่ากฎหมายมันครอบคลุมอะไรไปเยอะมากไปแล้วเนี่ยรอยเท้าในอากาศที่พระพุทธเจ้าจัดว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศไปถึงอะไรคือคือคือรอยเท้าในอากาศก็คือรอยเท้าในอากาศหมายความว่า เช่นพระอาหารหันต์ท่านนิพพานไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าไปที่ไหนมันเหมือนกับไม่สามารถจะบอกรอยเท้าในอากาศได้หรือการไปนั่นไปนี้ของคนของจิตเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่สามารถจะบอกได้มันเหมือ น, นเหมือนกนรอยเท้าในอากาศไม่มีนะฮะเหมือนกับ น, นกที่บินไปเนี่ยเห็นไหม นกที่บินไปเนี่ยเราก็รู้มันบินไปแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเป็นรอยเท้าที่จะสะกดรอยของนกไปได้ก็เป็นภาษาธรรมดาธรรมดานะแสดงให้เห็นถึงเรื่องของสิ่งทั้งหลายที่มันไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นแต่ว่าสิ่งนั้นมีอยู่นกบินไปในอากาศแต่ว่าไม่มีรอยเท้าที่บินไปในอากาศ ผมเคยได้รับคำสอนจากหลวงพ่อรูปหนึ่งพูดถึงการสร้างตัวกระทาและการลดละนิสัยโดยใช้สัจจะเป็นแนวทางอยากทราบว่าพอถึงจุดหนึ่งจะเป็นการยึดติดในจดิตหรือไม่แล่มีวิธีแก้ไขยังไง ก, ก็ไม่ไม่มีปัญหาหรอกเพราะอย่าลืมว่าปอบุญจินเองเนี่ยมีสัจจะอย่างเดียว ตัวธรรมะนี่เราจับตัวหลักไว้สักข้อหนึ่งข้อไหนก็ได้เมตตาก็ได้ยิริโอตปะก็ได้สัจจะ ก, ก็ได้ขันติก็ได้นะ่ะจับข้อไหนไว้ก็ได้ได้สักข้อแล้วอย่างอื่นก็เกิดเองโดยธรรมชาติของเขาเหมือนกับเราปลูกพืชเนี่ยปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปในดินแล้วเนี่ยในโอกาสต่อไปเนี่ยสิ่งเราอื่นมันจะติดตามมาเองไม่ต้องไปเดือดร้อนมัน แล้วมันมันยึดติดไม่ได้เพราะตามปกติสัจจะเนี่ยมันเป็นอาการปฏิบัติที่เข้าถึงความจริงไปโดยลําดับแล้ยึดติดเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ความจริงเป็นอาการของปัญหาอุปาทานโดยเฉพาะยิ่งก็เป็นของเป็นอาการของอุปาทานเป็นอกุศล น, นะฮะแต่ว่าสัจจะนั่นเป็นมัจแล้วก็การยึดติดเนี่ยมันเป็น สมุทัยคือคนละด้านกันฮนะเหตุคนละด้านกันสัจจะจะเป็นตัวกันทำลายกันยึดติดในในอาการเหล่านั้นการใส่บาตในตอนเช้าผมมักจะถวายปัจจัยเป็นเงินใส่ไปด้วยทุกครั้งอยากจะทราบว่าจะขัดกวินัยหรือบทบัญญัติทองสงหรือไม่ไม่ถูกนะครัคือโดยหลักวินัยจริงๆเนี่ยพระจับเงินทองโดยตรงเนี่ยไม่ได้ แต่คนถวายก็มอบหมายให้แก่ลูกศิษย์เขาเรียกวิทยาวิาจกรไปดาเนินการให้คนดูแลรักษาก็เป็นเรื่องของชาวบ้านก็ดูแลรักษาไว้ให้แต่ก็ถวายในานามพระนั้นพระก็แสดงความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นได้ตามความต้องการแต่ว่าจะไปถือเองจะไปจับเองนี่ไม่ได้เขาเรียกวัตถุอนามาคือห้ามจับต้องแล้วก็ในแงข่ของพระบิดาจริงๆเนี่ยแต่ว่าพ ร, พระจับไปแล้วเนี่ย ต้องสะละโดยทิ้งไม่กำหนดทิศทางทิ้งโดยไม่อะไรเลยดีในสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปแต่ตรงนี้ค่อนข้างเป็นปัญหามากในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าร้านที่จับมจบเงินจับทองในค่อนข้างจะแพร่หลายขึ้นเพราะ้เงื่อนไขต่างๆภายในสังคมเนี่ยมันบีบรัดนะฮะที่เราก็มองเขาในความเห็นใจเหมือนกันแต่วินัยก็คือวินัยนะฮะ ที่ในนี้เป็นปันณติวัชชะคือมีโทษในบทบัญญัติของพระวินัยเป็นโทษบทบัญญัติสมะพระท่านั้นแต่ว่าญาติโยมทางที่ดีแล้วเนี่ยก็ควรจะไม่ควรจะํำบุญดักบาทด้วยเงินถ้าต้องการจะถวายเป็นเงินเป็นทองอย่างนั้นก็ไปถวายที่วัดนะให้ท่านแสดงวยาวิจกรให้รับ เดีย๋ยวนี้เสียงจะสู์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้หายไปจากคลื่น FM 99.5 และ MS 2ในช่วงเย็นเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งอย่าทราบ ว, ว่านอกเหนือจากคลื่นหลวงพ่อออกอากาศกาตามวิทยุทางคลื่นไหนบ้างในเวลาที่ออกอันนี้เป็นรายละเอียดนะครัเาที่จริงก็ออกอยู่หลายคลื่นเวลาเนี่ยแต่ก็จาไม่ได้ตัวเองจาไม่ก็ได้ กี่ขึ้นนี่ก็หนึ่งขึ้นนะฮะขึ้นที่พนหนึ่งนี่หนึ่งขึ้นแล้วก็มอพลสองนี่หนึ่งขึ้นแล้วก็รอดอนี่หนึ่งขึ้นออสนี่หนึ่งขึ้นแล้วก็ยานเกราะนี่หนึ่งอไม่ใช่ปตอนี่หนึ่งขึ้นกรรปกลางนั้นข่าวว่าเขาเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ไม่รู้จักกันแต่ตามปกติก็บรรยายใส่เทปส่งไปตัวเองก็ไม่เคยไปยังไม่รู้ว่าสถานีเขาอยู่ที่ไหนเลย แล้วเขาก็เมื่อก่อนเนี่ยมันพู้ดหน่วยการคอร์รพกลางเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์เขาก็มาขอให้พูดบรรยายให้เราก็บรรยายไปให้แล้วก็เปลี่ยนผู้อำนวยการมาเยอะหลายคนแล้วเมื่อติดต่อไปดูปรากฏว่ามีความสับสนก็เวลามันก็น้อยนะเวลาประมาณสิบสามนาทีเท่านั้นเองก็เลยก็ไม่ทํารายการส่งไปให้ก็ไม่มีออก คูเจ้สอนเรื่องนิพพานคนที่ไม่ได้บวชมีโอกาสเข้าสู่นิพพานหรือไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับบวชไม่บวชนะฮะคือนิพพานเนี่ยมันเริ่มนับตั้งแต่เป็นมระโซดาบันขึ้นไปเรียกสัพปาติเสสนิพพานเพราะงั้นถ้าเราเทียบในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่ไม่ได้บวชเนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระริยาบุคคลสามชั้นข้างล่างใน ม, มากกว่าพระสงฆ์นะฮะพระสงฆ์จํานวนไม่มากหรอกชาวบ้านเขามากกว่า แต่ว่าเป็นนิพพานเป็นเป็นเป็นระดับโสดาสกาิตาคานาคานะฮะเป็นพระหานไม่ได้แต่เป็นบระนต้องบวชผู่ที่นับถือศาสนาอื่นมีโอกาสเข้าสู่นิพพานหรือไม่คือนิพพานเนี่ยมันเป็นคู่กับอริยมรตหมายความว่าคนต้องปฏิบัติตามอรมิยมรตจึงจะไปนิพพานได้และาศาสนาอื่นเนี่ยเขาไม่ต้องการนิพพานนะก็ต้องการไปอยู่รวมหรืออยู่ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าชั่วนิรันดร บางศาสนาก็อยู่ในลักษณะอยู่ร่วมบางศาสนาก็อยู่รวมคือเข้าผนึกเป็นเนื้อเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าเลยจะอยู่อย่างนั้นชั่วนิรันดรแต่ศาสนพาพราหมณ์เนี่ยคือเข้าไปอยู่รวมกับพระพรหมเป็นเนื้อเดียวกันเลยะเป็นอันหนึ่งอเดียวกับพระพรหมคือคืนมามาจากที่ไหนก็คืนไปสู่ที่นั้นแล้วอยู่ที่นั้นชั่วนิรันดร เพราะงัน้นนิพพานจึงมีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเป็นเป็นธรรมะคู่กับ อ, อรอยิยมรรคเบี้องแปดประการนะเราจะเห็นว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวคือว่าศาสนาเทวนิยมเนี่ยมันถือมีพระเจ้าสูงสุดซึ่งเป็นลักษณะของสักกายจิติ t. ความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนท่าบอลยืนโรงเที่ยงแท้ไม่แปรผันอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าประตูนิพพานเนี่ยมันต้องถอดสลัก คือตัวตนออกไปถ้าจับใดยังคิดว่ามีตัวมีตน ม, มีเรามีเขาเป็นพวกเราพวกเขาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีตัวตนทาวรแท้แ ท, ท้ยังยืนดูเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะไปถึงนิพพานได้ฮะับเพราะนิพพานต้องทําลายสกายะทิถีได้ก่อนรอยพระพุทธบาทที่คนพบตามสถานที่ต่างๆเกิดจากอะไรบางแห่งก็เล็กบางแห่งก็ใหญ่และเป็นของพระพุเจ้าจริงๆหรือไม่ไม่หรอก เป็นการแกะสลักขึ้นของคนในยุคสมัยก่อนรอยพระบาทขนาดนั้นองค์พระพุทธเจ้ากูใหญ่ตโตโมลานะเจเป็นเป็นการแกะสลักนะฮะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าไม่ต้องดูอะไรรอยเท้าไม่เท่ากันก็หมายความว่าแต่รอยเท้าหนึ่งเป็นรอยเท้าหนึ่งก็ไม่ใช่อ่ะแต่ที่จริงมันไม่ใช่ทั้งหมดเขาเรียกว่าพระพุทธบาทจำลองมันเป็นการสร้างขึ้นโดยจินตนาการจาก ตำนามหาปุริศาลักษณะทั้งสามสิบสองประการของพระพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงประชนอยู่เนี่ยรับสั่งว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายนี่ถึงความรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายในโลกเท้าช้างมันเล็กนิดเดียวแต่เทียบรอยประบาทแล้วก็เหยียบลงรอยประบาทได้ทั้งหลายรอยหลายรอ ย, ยนะฮะอย่างปิดไม่มิดเลย เันถ้ารอยประบาทของพระเจ้าใหญ่ขนาดนั้นจริงๆก็ต้องพูดใหม่อพิสูต่างหลายรอยเท้าของศาสตร์ต่างหลายนั้นรอยเท้าตถาคตเป็นเป็นยอดรอยเท้ารอยเท้าศาสตร์ต่างหลายถึงความรวมลงในรอยเท้าของตถาคตอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งจีวรที่พระพุทธเจ้าข่มเนี่ยมันก็กว้างหกคืบยาวเก้าคืบโดยคืบสุคตนะครั แต่เวลานี้พระก็ห่มจีวรขนาดนั้นได้อยู่อามาเองก็ยังห่มจีวรขนาดนั้นอามาสูงแค่ร้อยหกสิบห้าเท่านั้นเองก็ยังห่มได้หมสบายดีด้วย ก, ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะะคือพระพุทธเจ้าก็เป็นคนแต่ว่าพระรูปร่างสวยงามสง่างา ม, งามสูงพอสมควรนะฮะไม่ใช่สูงชะลูดขึ้นไปจนแขวนคอตั้งบาไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าประบาทใหญ่ขนาดนั้นก็เงียขอตั้งบ่าแล้วคนจะกลัวมากกว่าจะนับถือนะฮะอันนี้มันเป็นรอยประบาทจำลองกันนั่นเองเป็นเขาเรียกอุเทสิกะเจดีท่านั้นทุกฝั่งทั้งหลายทายรมรพุทธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญขอความไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี